สิ่งที่พวกเราขาดเยอะนะาขาดสมาธิขาดสมาธิต้องเพิ่มสมาธิอีกจุดหนึ่งที่ครวาญขาดก็คือความต่อเนื่องความต่อเนื่องของการปฏิบัติทุกวันต้องฝึกสมาธิฝึกไม่เอาสมาธิลึกมากนะไม่เอาสมาธิไปเห็นโน้นเห็นนี้ มาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวจิตใจตั้งมั่นอยู่กับพุทโธก็ได้จะอยู่แบบรู้เนื้อรู้ตัวจะอยู่กับลมหายใจก็อยู่ด้วยความรู้สึกตัวไม่เคลิม้มพวกเราพลาดอย่างเวลาคิดถึงการนั่งสมาธิเราไปคิดถึงว่าต้องสงบพอลงมือนั่งเราก็น้อมใจเข้าหาความสงบเมือนกลายเป็นน้อมเข้าไปสู่ความซึมจะต้องไม่น้อมใจให้ซึม นั่งสมาธินั่งหายใจหายใจด้วยความรู้สึกตัวอย่าเริ่มด้วยการ น, น้อมจิตด้วยน้อมแล้วซึมซึมไม่ดีวัด จ, จันมหาบัวเขาะจะทำเจดีอะไรกันไหมหรือไม่สร้างเจดีเก็บพระธาตุนะจะสร้างสร้างตรงเมนหรือไม่ทำเนี่ยมก็สร้างที่เมนไม่ให้คนไปเหยียบที่มีเศษ กระดูกเล็กๆน้อยๆอะไรเนี่ยนคนไปเหยียบไม่ดีเขาก็จะสร้างที่หลวงปู่ดุลเผานะเผาที่เขาสวายก็สร้างเจดีย์ไว้ครอบไว้ของหลวงปู่สวัสดิเจดีย์ท่านก็ครอบตรงที่เผาเพราะงันปกติวัด ร, รูบาจารย์จะเผาศพแล้วเตรียมเรื่องคิดเรื่องเจดีย์ไปด้วยแล้ของหลวงปู่เทศแปลก ท่านเผาที่หนึ่งไปสร้างเจดีย์ที่แต่เมนท่านนะเมนคอนกรีตถาวรเลยคนก็ไปหยยบไม่ได้อยู่เดียวยังอยู่เลยเมนท่านแต่ของคุณไม่น้อยตอนนี้ว่าไม่สร้างเจดีย์ละหลังสุดที่ได้ยินข่าวแววๆบอกเดี๋ยวเหมือนของหลวงปู่มีแล้วไปสร้างของลูกศิษย์ใกล้ๆ ก, กันว่าไม่งามก็จะไม่สร้าง ท่านก็คงไม่ว่าอะไรหรอกสร้างไม่สร้างท่านไม่สนใจคุณแม่น้อยถ้าท่านเป็นผู้ชายนะเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่องค์หนึ่งภาวนาเด็ดเดี่ยวใครเคยรู้จักไหมเภวานาดีตอนนี้ก็ยุคคุณแม่จันดีเภวานาดีผู้หญิงภาวนาดีๆก็มีนะแต่ว่า ลำบากกว่ผู้ชายผู้หญิงภาวนาเก่งๆไม่ค่อยมีใครดูแลเท่าไหร่ถ้าไม่มีชื่อเสียงจริงๆไม่มีใครดูแลคุณแม่น้อยก็คนเข้าไปกราบนะท่านภาวนาดีจริงๆภาวนานะไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายหรอกจิตมันไม่มีเพศหรอกแต่อาศัยรูปที่แตกต่างกัน รูปผู้หญิงรูปผู้ชายปเป็นรูปรูปเชน่นนี้หนึ่งคือยีนที่แตกต่างกันแต่โดยจิตไม่แตกต่างยิ่งนั้นผู้หญิงผู้ชายภานาได้เหมือนกันนะไม่จําเป็นว่าจะต้องเสียอกเสียใจไม่ได้เป็นผู้ชายคือบางคนเสียดายไม่ได้บวชผู้หญิงไม่ได้บวชหรือที่นโดนไปบวชภิกซุนีอะไรเงี้ย ไม่จำเป็นหรอกบวชไม่ได้อยู่ที่รูปแบบเครื่องแต่งกาย อ, กอยู่ที่ใจเราเพียงแต่ว่าการดํารงชีวิตนะั้นมันแตกต่างกันคารวะนะในทางทฤษฎีบอกว่าพระกับคารวะก็ไม่มีนะสมมติอีกในเรื่องสมมติทีท่านกพูดปลอบใจไม่ต้องบวชเราก็เป็นคารวาก็ภาวนาได้ทำจริงยาก ยากกว่ากันฆราวาสเนี่ยโดยเพศเนะี่ยทำอาหากินมีงานต้องทําคิดนะ่ะทําธุรกิจจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้ไปเป็นลูกจ้างเขาจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการก็ต้องคิดจะอยู่ได้หรืออยู่ไม่ได้คิดเป็นข้าราชการอยู่ได้แต่ไม่ค่อยจะพอกินอย่างเี้ยนั่นอยู่ในโลกเรื่องต้องคิดได้มากมายเหลือเกินเรื่องเครียด ใจไม่ปลง่งมีภาระภารามากงันบางทีในเพศของพระในเพศของชีนะาวนาง่ายง่ายกว่าโยมถ้าภาวนาเป็นนะภาวนาไม่เป็นนะลำบากลาบากกว่าโยมเยอะเลยจุดอ่อนอีกข้อหนึ่งของโยมนอกจะต้องมีเรื่องกวนใจมากนะก็คือกาม ในขั้นต้นๆขั้นโสดาสกตาคาร์คารวาสก็ภาวนาไม่แพ้พระหรอกแต่พอถึงขั้นละเอียดขึ้นไปเนี่ยคารวาสภาวนายากเพราะคารวาสเนี่ยจำนวนบาลีมันชุ่มอยู่ด้วยกามชุ่มอยู่ด้วยกามกามไม่ใช่เรื่องเซ็กนะไม่ใช่แค่นั้นเรื่องการสแสวงหาความเพลิดเพลินทังด้วยการเสพรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งหลายคารวาส ต้องการสมมอยากกินขนมอย่างนี้ก็ไปกินได้นักบวชไม่ได้ไม่มีจะกินฆนะราวาสเนะี่ยอยากอยากเสพอะไรมันเสพได้หมดนะงั้นไม่เห็นทุกข์เห็นโทษเห็นยากนักบวชนะเห็นทุกข์เห็นโทษความอยากเกิดขึ้นที่ไรไ ม, มีแต่ความทุกข์นะมันไม่ได้เสพหรอกงั้นเวลาพูดถึงกามเนี่ยฆราวาสเนะี่ยพูดถึงคาว่ากา ม, กามาคุณ กามาคุณนะไม่ใช่กรารมโทษแต่ถ้านักปวดนะคิดถึงกามทีไรมีแต่กามโทษนะไม่มีกรารมาคุณหรอกบอกอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นอยากได้ของเย็นก็ได้ของร้อนนภาษาลิบุตรท่านสอนเรื่องจริงเราอยากได้น้ำร้อนก็ได้น้ำเย็นอยากได้น้ำเย็นก็ได้น้ำร้อนเความอยากเกิดขึ้นทีไรมีความทุกข์เกิดขึ้นทุกทีเลยเนี่ยเห็นอย่างนี้ ฆราวาสไม่เห็นหอกทุกชนิดนี้ฆราวาสรู้จักแต่กรรมคุณไม่เห็นกรรมโทษเนีจิตมันพุ้นเคยอยู่กับกรรมคุณมันไม่วางหรอกวางยากเนี่ยฆราวาสนะจะภาวนาให้ถึงพระนาคาเนี่ยยากแล้วยากเพราะว่ามันชุ่มด้วยกรรมพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนจิตเหมือนไม้นะเหมือนต้นไม้ท่านบอกว่าไม้บางอันเนี่ยเป็นไม้สดด้วยแล้วแช่น้ําด้วย เป็นไม้สดแล้วแช่น้ําบางอันเป็นไม้แห้งแช่น้ําบางอันเป็นไม้สดแต่ไม่ได้แช่น้ําบางอันเป็นไม้แห้งนะแล้วอยู่บนบกด้วย แ, แห้งแหงนักบวชนะจะเป็นเพศไม้แห้งคือไม่ได้อยู่ในกามแล้วไม่ได้มีโอกาสเสพกามไม้แห้งอยู่ในที่แห้งจุดไฟง่ายอย่างพวกเราหมกมุ่นอยู่ในกามพื้นเดิมเราก็กามอยู่แล้ว เป็นฆราวาสแล้ววันวันหนึ่งก็ยุ่งกับเรื่องตามเรื่องหาอยู่หากินหาสนุกสนานเพลิดเพลินไปวันหนึ่งวันหนึ่งภาวนายากเหมือนไม้สดแช่น้ำนะเอาขึ้นมาจุดไฟไม่ค่อยติดหรอกไม่ได้เรื่องเอาไปทำอะไรก็ไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นี่เราก็เราเป็นฆราวาสนะเราเราลองมาลองถือศีรษะดู ถือศีนแปดถือเป็นครั้งคราวทดลองลองใจตัวเองกล้าหารพอไหมกล้าพอจะอดเข้าเย็นไหมอดเข้าเย็นแต่กินมาาัคกะโลนีไม่ได้นะหรือกินมามา่าอดเข้าเย็นมาตั้งสามเดือนแล้วเหนึ่อบนนะไม่ได้กินข้าวมาสามเดือนแลวกินอย่างอื่นงั้นไม่ได้นะ <laughs> ลองทดลองดูอดได้ไหม คนโบราณฉลาดนะคนโบราณฉลาดถึงวันพระเนะี่ยก็ถือศีลแปดมคือการฝึกตัวเองแต่ทั้งพระเจ้าแผ่นดินก็ถือพระเจ้าแผ่นดินของเราเนี่ยบางองค์นะท่านถือศีลแปดทั้งหมดแปดวันแต่พระเจ้าแผ่นดินส่วนใหญ่จะถือสี่วันท่านถือวันโกนด้วยมีขนาดท่านอยู่ในกามมากนะานก็ฝึกตัวเองพวกเราก็ลองฝึกตัวเองดู แต่อย่าให้เป็นโลกกระเพาะนะถือศีลแปดตลอดทำงานหนักๆเนี่ยอยู่ไม่ไหวอยู่ยากลองมาฝึกใจให้มันเข้มแข็งนี่อยไปกลัวกิเลสนี่โยมนี่มาอยู่วัดหลวงพ่อนะกลัวผีกลัวสุดๆเลยมาอยู่ได้คืนเดียวจะขอลากลับละอยู่ไม่ได้แล้ววันนี้ผีดุเหลือเกินเจอไม่ไม่เจอเหรอกแต่กลัวไว้ก่อน นี่ก็อดทนนะอดทนอยู่จนถึงวันนี้จะได้กลับบ้านแนละ้วรู้สึกไหมมันเก่งกว่าเก่าถ้าวันแรกเราก็หนีกลับบ้านนะต่อไปไปอยู่ที่ไหนก็ขี้กลัวกลัวผีไปหมดอะ่ะนี่กลัวผีแล้วก็ฝึกความอดทนกลัวผีกลัวสัตว์อะไรนี่ต้องสู้เอาถ้ากลัวคนไม่ได้นะคนเนี้ยมันร้ายกว่าสาัตว์อีกแผ่เมตตามันก็ไม่เอา เป็นผู้หญิงจะเที่ยวภาวนาสเปสสปาไปที่นันที่นี่ไม่ได้นะอันตรายเคยเจอยายชีคนหนึ่งบอกดิฉันไม่ไว้ใจกระทั่งพระบอกเออก็ดีเหมือนกันอย่าไว้ใจเลยเนะี่ยพระวัดอื่นนะไม่ใช่วัดนี้นะบอกไปภาวนาต้องระวังตัวเองแจเลยแก่ป่านนี้แล้วแก่อย่างบอกนะเนี่ยดิฉันแก่ป่านนี้ดิฉันยังกลัวเลยไอ้พวกหน้ามืดมันมีเนะีนะ่ยว่าอย่างนี้นะ เราผู้หญิงเียไปเที่ยวภาวนาเป็ะเป็ ด, ป, ด, ป, ด, ป, ดป่ า, ปาไม่ได้พระเจ้าไม่ได้อนุญาตภิกษุณีต้องอยู่ในวัดที่มีภิกษุไปอยู่เดี่ยวๆไม่ได้นะไม่เหมือนภิกษุอยู่เดียวๆ ไ, ไ ด, นะไ ด, ๆได้ไม่มีใครปล้ำเราก็มาลองหาที่ภาวนานะที่ที่เขาไม่ยุ่งกับเราไปฝึกตัวเองฝึกตัวเองวัดที่เงียบๆเดี๋ยนี้เยอะแยะไปวัดที่เงียบๆ แต่ดูที่ไม่ไม่อันตรายไปกันเป็นทีมหน่อย4ี่ห้าคนอะไรเงี้ยไปนะจะไปภาวนาลองดูบ้างเป็นกลง้งเป็นคราวจิตใจได้เข้มแข็งเวลากลัวผีนี่ดีที่สุดปกติไม่รู้เลยพุทธทางสระนังคัตฉามิธรรมมังสระนังคัตฉามิสังฆังสระนังขัตฉามิเป็นที่พึ่งยังไงไม่รู้นะแต่ตอนจวนตัวเรารู้จนตัวเราร นี่พระผู้ใหญ่อคงหนึ่งท่านเล่าท่านไปอเมริกาเขานิมนต์ไปที่วัดแล้วมันมีกลุ่มอันธพาลอยู่รอบรบวัดพวกนี้เกลียดพระมากเลยมันบุกเข้ามาเอาปืนมายิงอะไรเงี้ยใจมายิงพระท่านบอกว่าไม่รู้จะพึ่งอะไรนะรู้อะไรพุทธทางสันนิษฐานข้าสมีเป็นไงพึ่งพระพุทธเจ้าตา ย, ตายก็ขอตายแล้วขอภาวนาอยู่กับพระพุทธเจ้าเขาจะมาฆ่าละ วันแรกก็รอดมาได้นะพอสว่างแล้วก็ในใจก็นึกขอให้คนมาช่วยหน่อยอะขอให้มีคนมาช่วยหน่อยนะรอดมาได้วันหนึ่งมีคนมาจริงๆนะมีโยมมาเอาปืนมาด้วยบอกท่านเอาปืนไว้เลยมันมาท่านยิงมันเลย <c oughs> บอกเฮ้ยยิงไม่ได้ยิงได้ป้องกันตัวนะท่านบอกไม่ได้ท่านไม่ได้พระไทยไม่ได้ ท่านบอกเลยรู้เลยว่าเวลาขับขันจวนตัวนะเราอยู่กับพระพุทธเจ้านะี่อยู่ยังไงฝากชีวิตไว้กับธรรมะฝากชีวิตไว้กับพระเนะี่ยฝากยังไงงั้นถ้าไม่เคยเจอนะไม่รู้ลองดูนะมีโอกาสก็ลองภาวนาแต่อย่าไปที่ที่คนร้ายๆนะที่สัตว์ร้ายๆไม่น่ากลัวคนเนี่ย แผ่เมตตาก็ไม่เอาคนแผ่เป็นยากมีสัตว์อยู่สองจำพวกสอง ส, สปีชีคนกับไกวแผ่เมตตาไม่เอามีสองพวกเองงูเหา่างูเหา่าแพ่เมตตาเอานะงูดูดูดูดูดดแพ่เมตตาหัวลงได้นะใจดีใจดีได้มันเอาหัวลงเพราะมันรู้สึกปลอดภัยชูขึ้นมามันรู้สึกไม่ปลอดภัยแต่คน ผู้ร้ายนะมันไม่เอาไม่ฟังควายนี่ไม่ฟังกรูบาอาจารย์ท่านก็เล่าเรื่องควายให้ฟังหายง่วงยังหายแล้วจะได้เทศต่อจะได้สอนธรรมะหน้าตาง่ว ง, ง, วงอากาศก็เย็นกินข้าวก็อิ่มใส่เสื้อก็อุ่นพ้า <c oughs> นะั้นาวหนาวนะเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีอย่างเงี้ยหนาวนอนไม่หลับหรอก ท่านบอกว่าท่านไปนะพระหลายองค์พระแต่ละองค์ก็คุยหวดเลยชาวบ้านมาบอกว่าเดินตรงนั้นต้องระวังนะมีควายดุควายนี่ไม่ชอบพระเห็นพระแล้วไล่ทุกทีเลยท่านก็เตรียมทําสมาธิท่านเดินพระอื่นๆนั้นก็คุยกันว่าเราไม่กลัวควายเราลูกชาวนาเราไม่กลัวควายหรอกเจอควายรเราจะดึงจมูกมั น, นคนนี้จะดึงหางคนนั้นจะดึงโน้นดึงนี่นะ เราก็เจอจริงๆพๆควายไล่นะพวกคนเก่งเนี่ยหนีขึ้นต้นไม้หมดเลยองค์นี้ท่านก็อยู่เฉยๆท่านไม่หนีนะท่านก็เภานางท่านควายมันมาปิดนะแต่มันเอาเขาเนี่ยแทงพื้นแทงดินอยู่รอบๆตัวท่านก็ฝุ่นกระจายเลยแทงไปแทงมานะท่านตวาดมันมันก็เลยวิ่งหนีไปคราว น, นี้หันมาหาพักพวกหายไปไหนวะร้องเรียกอยู่บนต้นไม้ให้ช่วยด้วย แค่ทยอยลงมามี อ, องค์หนึ่งไม่ยอมลงทำไมไม่ลงมาลงไม่ได้สะบงมหลุดท่านบอกโง่จริงเลยโง่ังสาอยู่เนี่ยใช่ไหมเอามานุ่งได้นุ่งเป็นผ้าเตียวได้คนภาวนานะท่านสติท่านดีแต่ควายก็แผ่เมตตาไม่เอาคนเนี่ยแผ่เมตตายากถ้านะเราออกไปภาวนาต่างที่ต่างถิ่นระวังตัว ภาวนาผู้หญิงต้องระวังเรา้ทางที่ดีอยู่บ้านไปไหนแม่ปลอดภัยก็อยู่บ้านภาวนาแต่ว่าอย่ามัวแต่ห่วงบ้านห่วงงานห่วงนะคิดแต่เรื่องงานภาวนาให้มากๆทุกวันแบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบทำสมถะบ้างการทำในรูปแบบทํสองอย่างอันหนึ่งทำสมถะทำให้จิตสงบอยู่ในอารมณ์เดียว อีกอันหนึ่งก็ฝึกจิตให้ตั้งมั่นเอาไปเดินมิปัสสนาวันไหนมีกําลังพอก็มาฝึกจิตให้ตั้งมั่นโดยการรู้ทันจิตที่ไหลไปวันไหนไม่มีเรี่ยวมีแรงเลยหมดแรงทําความสงบอย่างเดียวเลยพุโทโธไปอย่างเดียวให้จิตสงบอยู่กับพุโทโธหายใจไปให้จิตสงบอยู่กับลมแต่ไม่ให้เคลิมสงบกับเคลิมล้มคนละอันกันพวกเราพลาดคิดว่าสงบคือเคลิม้มไม่ใช่ สงบก็คือสงบแล้วเคลิ้มขาดสติเป็นอีกเรื่องหนึ่งสมาธิต้องไม่ขาดสตินี้พอเราเริ่มต้นเราคิดว่าจิตสงบต้องนิ่งนิ่งซึมซึมคิดอย่างนี้พอลงมือนั่งปุ๊บนะน้อมจิตให้ซึมเลยน้อมเข้าไปหาความซึมเสื่องเสื่องซึมซึมนั่งสมาธิละโมหะเยอะกว่าเก่าเง้นไม่เอายิ่งกิเลสหนากว่าเก่ายิ่งแย่ใหญ่แลนั่งเอาพักผ่อนให้จิตตั้งมั่นไม่ขาดสตินะหายใจไปมีสติ รู้ลมหายใจด้วยความมีสติเ น, นี่ยได้ความสงบหายใจไปจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนี้ไปคิดจะได้ความตั้งมั่ น, นหายใจไปจิตไปอยู่กับลมไม่หนีไปที่อื่นสงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวอยู่กับลมหายใจไม่ขาดสติไม่เคลิมเวลาจิตจะรวมวก็รวมด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวรวมจนร่างกายหายไปก็ไม่ขาดสติสติน้ะสําคัญมากเลยขาดสติจิตเป็นอกุศลทันที ว่าสติเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกับจิตที่เป็นกุศลทุกดวงงั้นถ้าเมื่อไรไม่มีสติเมืม่นั้นจิตเป็นอกุศลนะจิตไม่ไม่เป็นกุศลแลใช้ไม่ได้ละหรืออย่างเก่งก็เป็นวิบากจิตเฉยๆไม่ดีไม่ชัว่วถ้าเมื่อไรมีสติจิตจึงจะเป็นกุศลงั้นเราอย่าทำลายสติหายใจไปด้วยความรู้สึกตัว พูดโทไปด้วยความรู้สึกตัวดูท้องของยุบด้วยความรู้สึกตัวจิตจะสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆมันสงบของมันเองนะถ้าจงใจให้สงบไม่สงบแต่ถ้าเราฝึกจนชํานาญนึกอยากสงบอะไรก็สงบดะงนั้นมันเป็นวสีแล้วสงบทันทีแล้วก็ทําได้ดังนันทุกวันเราแบ่งเวลานะทำความสงบ ถ้ามันฟุง้งซ่านดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทําความสงบนะพอมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาฝึกให้จิตตั้งมัน่นด้วยการรู้ทันปล่อยให้จิตทํางานแนละ้วไม่ไปประคองไว้ปล่อยให้มันทำงานมันจะไหลพอมันไหลปุ๊บรู้ปั๊ บ, บไหลปุ๊บรู้ปั๊ บ, บจะได้ความตั้งมัน่นพอจิตตั้งมั่นแล้วก็มาเดินปัญญาต่อจิตตั้งมั่นก็เป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่มีสติเห็นร่างกายมันทํางานมีสติเห็นจิตใจมันทํางาน จิตตั้งมั่นเป็นแค่คนดูไม่ไหลเข้าไปในกายไม่ไหลเข้าไปที่จิตอยู่กลางกลากายกับจิตแยกออกจากกันกายกับเวทนานียกับจิตก็แยกออกจากกันกายกับเวทนากับสังขารกับจิตแยกออกจากกันค่อยๆแยกแยกออกไปเรื่อยๆเช่นความโกรธเกิดขึ้นนั้นก็เห็นความโกรธก็อยู่ส่วนหนึ่งไม่ใช่จิตเป็นสิ่งที่จิตไปเห็นก้าในนี้จิตมันแยกออกมาแล้วจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้ว มันจะเห็นว่าไม่ใช่เราโกรธนะความโกรธเป็นแค่สภาวะธรรมอันหนึ่งมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเห็นเองนี้ถึงเดินตัญญาถ้ามันไปรวมกันจิตไปรวมกับความโกรธจะกลายเป็นเราโกรธถ้าจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูจะเห็นความโกรธผ่านมาแล้วก็ผ่านไปความโกรธกับจิตอยู่ห่างๆกันไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันหรือเวลาเห็นร่างกายแล้วมีสติมีจิตตั้งมั่นอยู่มีสติเห็นร่างกายมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ จะเห็นว่าร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งมันแยกออกห่างๆนี่เราฝึกนะจนเจะทั้งจิตมันแยกห่างออกจากขันทั้งหลายแยกออกไปมันจะเห็นขันทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราถ้าจิตคลุกปนอยู่กับขันเนาะขันนีะเป็นเรา้จิตมันถอดตัวออกมาแยกออกมาขันไม่เป็นเราก็ต้องฝึกเอานะอยากได้ของดีก็ต้องฝึกเอาใครก็มาทําแทนเราไม่ได้หรอกหายง่วงแล้วเราไปตรวจกันบ้าน เชิญวันไหนจะส่งก็ส่งคนไหนจะส่งกันบ้านก็ส่งคนไหนจะส่งไหม่ก็ส่งส่งใหม่ใต้ว่าไปหลวงพ่อขาวันสามวันแรกที่อยู่วัดฟุ้งซ่านตลอดเลยค่ะอืมแล้วพอวันที่สี่มันก็เริ่มดีขึ้นอืวันนี้วันที่ห้ามนรู้สึกมันตั้งมั่นอืมีกําลังมากขึ้นกว่าเดิมคเของคุณมนเนี่ยใช้เวลาฟุ้งซ่านนานกว่าคนอื่นวันหนึ่ง ปกติห้าวันที่มาอยู่วัดเนี่ยมันจันทร์วันอังคารจะฟุ้งพูดธพฤหัสเนี่ยเริ่มสงบเรื่องตั้มมันมันสุกเริ่มกระดีกระดาจะกลับบ้านของคุณมลนั้นไปฟุ้งแค่สาวันเพิ่งสงบได้สองวันงั้นอยู่วัดจริงๆไม่ใช่ดีตลอดถ้าอยู่ช่วงครั้งช่วงคราวนั้นจะดีขึ้นดีขึ้นนะพออยู่นานมันจะเสื่อมให้ดูนะเป็นเรื่องปกติเจริญแล้วเสื่อมไปทําต่อไป มีอย่างอื่นไหมคะนอกจากไปทําต่อไม่มีนะไปทําต่อเอาขอบพระคุณค่ะเรียนเยอะแล้วไปทําเอาอยู่ที่ทําเอาเองนะจริงต้อสู้ตายครับเมื่อวานเมื่อวานช่วงบ่ายก็ฟุ้งครับก็เช้านี้ก็ยังฟุ้งอยู่ครับหลวงพอ่อบ่ายมันฟุง้งเตรียมกลับบ้านใช่ครับเตรียมกลับบ้านเป็นอย่างนี้ทุกคนเนละเนี่ยมีคุณหม น, นี่แปลกเพราะว่า วันเวลายาวกว่าคนปกติช่วฟุ้งก็ฟุ้งยาวกว่าคนอื่นนะเช่วงสงบสงบมาถึงวันนี้เนี่ยจิตที่มีแรงเป็นอย่างนี้นะเห็นไหมร่างกายที่ยกมือไม่ใช่เราเนี<ม>่ยเป็นเลยเห็นไหมร่างกายที่สงบวไม่ใช่เราเนี่ยอย่างเนี้ยมันถึงเดินปัญญาละนะของคุณฟุ้งนะขอไม่ฟุ้งไปทําความสงบเข้ามาบ้างพุโทโธไปพุโทโธ ให้จิตมีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่อ่างนีนานฟุ้งยาวครับแล้วมีข้อควรระวังไหมครับหลวงพ่อก็ระวังอย่าไปตามใจตัวเองเยอะนะครบขอบคุณครับเมื่อเช้าตอนสดมนก็ดูโมโมะนะคะแล้วพอเดินออกมาจากกุฎแล้วก็รู้สึกใจมันโปร่งขึ้นนะคะรู้สึกสบายใจมากขึ้นจะกลับบ้านแล้วสบาย <c oughs> ไม่กลัวแล้วค่ะ <c oughs> ก็อยากรบกวนอยู่กดเลขที่เท่าไหร่าเลขสามค่ะเลขสามเลขสามเพิางรู้ว่าผีดุนะกดนเนี้ยแล้วเจอไหมไม่เจอค่ะเห็นไม่ไม่มีจริงหรอกค่ะอืมันแต่ข่าวลือค่ะ enario. ผีมันก็เบื่อหน้าพวกเรานะ ม, มันรู้สึกหน้าตาอย่างคนดูน่าเกลียดต้องตาโบโบโกำลังดีเห็นไหมเราถ้าใจแข็งๆนะไม่มีอะไรหรอก ชีวิตต้องสู้นะไม่ใช่ชีวิตเอาไว้หนีเ อ, อ, อยากลบกวนหลวงพ่อพาดูสภาวะจิตหน่อยได้ไหมคะโดยดูทําไมละ่ะดูเป็นแล้วดูไปเองดูเอาโกรธเป็นไหมละ่ะก็ดูเป็นถ้าโกรธขึ้นมาเรรู้ ว, ว่าโกรธนั่นแหล ะ, ส ภ, ลลล ะ, หละสภาวะละโลภขึ้นมารู้ว่าโลภกลัวขึ้นมารู้ว่ากลัวนั่นแหละสภาวะละปัจจุบันเป็นยังไงปัจจุบันปัจจุบันโลภสิ อยากรู้ว่าเป็นยังไงค่ะก็กราบขอบคุณหลวงพ่อแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกท่านนะคะที่ให้ไม่เป็นไรส่วนท่าน์ไม่ต้องเสียเวลาก็ช่วงช่วงตอนแรกที่มาส่งหลวงพ่อส่งกันบ้านนะคะก็คือเราใช้บริกรรมกรรมฐาน5ค่ะคือรู้สึกว่าพอมาใช้ตอนเวลานั่งสมาธิค่ะมันจะรู้สึกอึดอัดก็เลยกลับมาดูลมหายใจ เหมือนเดิมอะค่ะแล้วก็ลองลองอที่เห็นหลวงพ่อให้ให้คนอื่นลองสวดอิพีปีโซอะค่ะตัวเองก็เลยลองเอามาสวดตอนที่เดินจงกรมอะค่ะก็ก็จะเห็นว่าเออบางทีมันหลงไปบางทีมันก็จะลืมบทสวดเนี่ค่ะก็มาตั้งต้นใหม่อะค่ะก็นะสวดใหม่ฝึกอย่างนั้นฝางแล้วสุดจิมนี่จตั้งขึ้นไหมค่ ะ, ะ, คะกะ็การบ้านที่หลวงพ่อจะให้กลับไปทํานี้ไปทําต่อสิน ะ, ะเรียนมาแล้วเอาไปทำอย่าทิ้งเสียะ ทิ้งน้งโง่นะหวพ่อบอกนะกรรมฐานเนี่ยเราไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เ, เลยคนในโลกเนี่ยแสวงหาความสุขกันทุกคนนะยอมเหนื่อยยากแทบเป็นแทบตายก็เพื่อจะได้รับความสุขทั้งๆ ท, ที่การทำกรรมฐานนะันํำความสุขมาให้ไม่เสียสตังค์ด้วยนะนั้นเราทากรรมฐานนะชีวิตจะมีความสุขอย่างเที่ยวสแสวงหาสิ่งอื่นหวังว่าจะมีความสุขมันไม่สุขจริงมันได้ชั่วคราว อย่างไปหาเงินนะว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขไม่มีหรอกมีชื่อเสียงแล้วจะมีความสุขเอาเข้าจริงมีชื่อเสียงแล้วไม่มีความสุขเราไปถามนายกหนูมีความสุขไหมสังเกตไหมคนเป็นนายกนะก่อนเป็นบางคนหล่อนะเป็นแล้วบางคนหัวงอกเลยส่วนใหญ่หัวงอกอ่ะมันไม่ได้มีความสุขมีอำนาจก็ไม่ได้มีความสุขมีเงินก็ไม่ได้มีความสุขจริงมีลูกมีหลานมีครอบครัวอะไรนึกว่าจะมีความสุขนะกลายเป็นมีภาระขึ้นมาทางนั้นเลย เรามีสตินะแล้วจะมีความสุขนะพึ่งตัวเองได้ใจจะเติบโตขึ้นมาไปฝึกเอาขอบคุณค่ะเอาต่อไปใครมาจากที่ไกลๆบ้างใครมาจากญี่ปุ่นบ้างอ่ะให้ก่อนมาจากไหนล่ะเจสิบแปดมาจากญี่ปุ่นเหรอหนีมาเนอะหรือมาก่อนหนีมานะนึกว่าจะพ้นเหนือเมืองไทยก็ก็เกินเกงอยู่เหมือนกัน ก็ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวครับก็หลบไปใต้โตแล้วเตรียมตัวตายอะครับกมีสติไหมกลัวไหมก็ตอนนั้นไม่กลัวครับแล้วพออยู่ไปสักพักหนึ่งมันก็วุบหลงไปแล้วก็กลับมามันก็ยังไหวอยู่ครับแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มฟุ้งแล้วก็พอเริ่มเบาๆก็พ่อแผ่นดินไหวเริ่มเบาก็ออกเหนียวจากติดโต๊ดติดครับก็กตดี ถ้าไม่ขาดสตินะมันก็ช่วยตัวเองได้เยอะหน่อยคนสติแตกทําอะไรแผ่นดินไหวไม่ตายตกตึกตายตกระใจกระโดดออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็หลวงพ่อครับบางทีแบบเห็นมือเห็นอะไรมันก็เห็นไม่ใช่ตัวเรา<ใช>อยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันไม่รู้ใจออยังไงต่อครับก <K> ็ดูดูบ่อยๆนะรู้สึกตัวไปเรื่อยแล้วก็จิตใจมันทานํางานยังไงเราคอยรู้ทันไปเรื่อยเห็นจิเลสบ่อยไหมช่วงนี้ไม่ มันมันไม่มีภาคแบบไม่มีภาคไม่ภาคก็ดีเลยสิเห็นใจที่ไหลแป๊บแว๊บวะแป๊บไหมบ้างครับตอนคืถ้าดูจิตใจได้ก็ดูไปนะถ้าดูไม่ได้เห็นร่างกายเห็นกายเนี่ยกายที่พยยากหน้าอยู่ไม่ใช่เราใจเป็นคนดูฝึกนี้เรื่อยๆนะครับหัดแยกกายแยกใจไปเรื่อยเดี๋ปัญญามันค่อยเกิด ดูไปเรื่อยๆดูพอนะมันจะปิ้งขึ้นมาตัวเราไม่มีก็ร่างกายเนี่ยเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าร่างกายกับจิตเป็นคนละอันกันร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะจิตเองก็ไม่ใช่เราเดี๋ยวมันค่อยเห็นเนาะไม่เห็นกายไม่ใช่เราก่อนเห็นจิตไม่ใช่เรานี้เห็นยากเห็นทีหลังครั บ, บางคนเห็นทีเดียวก็จิตตัดเลยยอมรับความจริงแล้วล้างความเห็นผิดไปเลย บางคนต้องเห็นหลายทีกว่าจะยอมครับไม่เหมือนกันแล้วจะไปญี่ปุ่นอีกเมื่อไรล่ะก็กะว่ารอให้โรงงานนิวเคีย์เขาระดับ <c oughs> รอให้ระดับความอันตรายตกลงไปก่อนนะครับอ <c oughs> แล้วค่อยกลับไปนี่เคมีคนไปนี่ก็จะไปญี่ปุ่นนี่นี่มันจะญี่ปุ่น <c oughs> อ่าต่อไปต่อไปเอาคนไหนก็ได้ คนไหนมีความจำเป็นมีไหมหลวงพ่อสอนไปตั้งเยอะแยะแล้วฟังซีดีนะมีทุกคำตอบอยู่แล้วไม่ต้องถามเยอะหรอกได้สาเชิญคือผมภาวนาโดยการดูลมนะครับแล้วก็พอเผลอไปก็กลับมาอยู่กับลมนะครับแต่ว่าการภาวนาเนี่ยยังรู้สึกว่ามัน ยังขัดขาดกันเกินก็เลยจะขอคําแนะนําจากหลวงพ่อครับเราทําสม่ําเสมอไปนะดีก็ทําไม่ดีก็ทำํำรู้ลมไปแล้วเห็นลมหายใจได้ทั้งวันไหมหรือเฉพาะช่วงที่นั่งภาวนาก็เห็นทั้งวันครับหนะลวงพ่อดูเอารมเป็นวิหารธรรมอยู่ได้ทั้งวันหลยยืนเดินนั่งนอนหรือทําอะไรยกเว้นทํางานที่ต้องคิดเท่านั้นแหลนะเวลาที่เหลือนะเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูฝึกอย่างนี้บ่อยๆนะจะเดินปัญญาไปด้วย ร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราดูบ่อยๆดีก็ดูนะไม่ดีก็ดูสงบก็ดูฟุ้งซ่านก็ดูขยันก็ดูขี้เกียจก็ดูดูลูกเดียวเลยเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเรื่อยๆไปจิตแอ บ, บไปคิดบ้างไหมตอนที่หลวงพ่อพูดจิตหนีไปคิดไหมแบบเป็นนิดนึงแต่ก็เออนะนเรารู้ทันถ้าจิตหนีไปเรารู้ทันนะ จิตนี้อีกหรื อ, อยังยังครับยังอยู่ยังนะไปไหรือยังยังครับยังอยู่กับลมครับมันไปอยู่ที่ลมไหมอยู่กับลมครั บ, รบถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมเนี่ยหลงเรียบร้อยแล้วนะ <imiz> <ๆ>จิตกับลมไปรวมเข้าด้วยกันนะเราไม่เอาเราจิตเป็นคนดูร่างกายหายใจไปเราไม่ให้จิตไหลไปอยู่ที่ลมถ้าจิตไหลไปอยู่ที่ลมหลงนะอันนี้หลงแล้วหลงไปดูลมแล้วจิตไปรวมเข้ากับลมนะ เราหายใจไปเห็นร่างกายหายใจจิตอยู่ห่างๆจิตเป็นคนดูสบายๆหนีไปคิดหรือยังยังครับไปหัดดูเรื่อยๆนะนถ้าชำนี้ชำนานขึ้นเราจะเห็นเลจิตเนี้ยไหลคิดตลอดเวลาเลยแวบแวบแวบตลอดเลยช่วงนี้หลวงพ่อเลยต้องสอนลดระดับลง น, นิดหนึ่งสอนสภาวะยากยากอ่ะ 48. น้ำมัสการหลวงพ่อค่ะส่งการบ้านในรอบ5เดือนค่ะก็คื อ, อคราวที่แล้วหลวงพ่อบอกว่าภาวนาไปจะมีแต่ลิมิตขึ้นให้ไม่ต้องไปสนใจก็ภาวนาไปก็จะเห็นกิเลสเป็นเหมือนผีร้ายเข้ามาครอบจิตเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เหมือนกับว่ามีพลังงานภายนอกเข้ามากระทบการภาวนาแล้วเรากลัว พอกลัวเสร็จจิตก็เขาไปซ่อนอยู่ข้างในปิดมิดเราก็ดูแต่เราก็ไม่ทราบนะตอนนั้นนะคะก็ดูไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะทำไมมันเหมือนทุกอย่างมันนิ่งไปหมดจนมีเพื่อนที่เขาเหมือนดูพวกนี้ออกเขามาทักว่าทำไมจิตถึงเครียดเราก็เลยมองเข้าไปย้อนเข้าไปถึงพบว่าเขากลัวแล้วเขาก็ค่อยๆออกมาทีละนิดแต่ก็เหมือนกับว่าเขาไม่มีที่ยึดเขาไม่รู้จะยึดอะไรช่วงนั้นก็เลยพยายามพุโทโธ เพื่อให้มีแรงมากขึ้นแต่มันก็เหมือนกับเขาจะเข้ามากลับมาเพ่งหรือว่ากลับมาประคองเพื่อไม่ยอมขนาดแล้วว่าเราดูหลงเขาก็จะรีบกลับมาเพ่งทันทีด้วยความกลัวค่ะ <c oughs> แล้วเขาที่นํามาส่งกันบ้านหลวงพ่อมีทักคำหนึ่งว่ามีให้ดูตันหาก็เลยดูตันหาแล้วพบว่าทุกครั้งที่มีเหมือนพลังงานภายนอกมากระทบเนี่ย จิตมันจะแตกกระจายออกแล้วจะเหมือนมีพบขวางไม่ให้เราเข้ามาตั้งมั่นแต่พอเราดูตัณหาเนี่ยภพตรงนั้นเนี่ยก็จะหายไปแล้วเราก็จะเห็นว่าเบื้องหลังตัณหาเนี่ยมันมีความยินดียินไลบางบางฉาบอยู่เบื้องหลังและความน่ากลัวคือในทุกๆสภาวะที่เกิดมันมีตัณหากับความยินดียินไลซ่อนอยู่ทุกครั้งแล้วจิตมัน แม้จะไม่ตั้งมั่นหรือตั้งมั่นมันก็มีตัณ ห, หาซ่อนอยู่ตลอดเวลาแล้ว เ, เหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นความทุกข์ไปหมดแล้วก็มีแต่ตัณหา ท, ที่อยากจะพ้นทุกข์แล้วก็จิตไม่เป็นกลางกับพวกนั้นนะคะทีนี้เมื่อเช้าเนี่ยออพอขับรถมาเนี่ยกลายเป็นว่าพยายาม พอทุกอย่างเนี่ยพอเราดูด้วยพอเป็นตัญหาและความยินดีๆร้ายจิตมันก็จะไม่กระเพื่อมแต่เราพบว่าพอจิตไม่กระเพื่อมเนี่ยภายใต้น้ําที่นิ่งมันกลับมีเหมือนพายุหมุนแล้วเราเข้าไปถลํารวมกับพายุแต่เมื่อเราดูว่าทุกก็รู้มันก็ถอยออกมาจากพายุหมุนแล้วเราก็ดูพายุหมุนสักพักเนี่ยนะคะไอ้ยพายุหมุนนั้นน่ยมันก็กลายเป็นเกิดขึ้นเป็นน้อยใหญ่ทุกๆสภาวะมันกลายเป็นพายุหมุน แล้วก็หมดแรง<อ>นนะวัดตาก็มัวหนีอย่างนั่นแหละแล้วมันก็ปลูกปรุงไปเรื่อยๆแล้วเราเหมือนหมดแรงไปเลยอะค่ะเออหมดแรงแล้วเราใช้แรงเยอะไปนะเราก็ทําความสงบมาพอหมดแรงดูแล้วทาความสงบเอาเ อ, อทีนี้ในการทําความสงบเนี่ยมันเหมือนกับอย่างที่เมื่อกี้หลวงพ่อสอนก็คือพอเป็นพุโทโธเราเหมือนมันไม่ยอมพุโทโธดูกายมันก็ไม่ยอมดูนะตอนนี้มันเหมือนทําอะไรไม่ถูกอนะค่ะน้อมใจไปนะ มันไม่ยอมดูก็พามันดูเรื่อยไปสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างถึงเวลาก็พุโทโธไปณนะตอนนี้ที่พยาพยามที่พยายามทําก็คือน้อมให้เป็นให้จิตเป็นรูปพระพุทธรูปได้ไหมคะคือดูว่าจิตจิตออกนอก้มันก็จะค่อยๆรวมมาเป็นพระพุทธรูปเออไม่จําเป็นหรอกนะจะเป็นพระพุทธรูปก่อนจริงๆก็ได้แต่สุดท้ายต้องไปทําลายลงไปอีก เราไม่ควรทําอย่างนั้นใช่ไหมคะมให้ดูพุโทโธธรทมโมสังโฆจะดีกว่าอะนะไม่ต้องสร้างภาพประกอบก็ได้ อ, อเ ค, อคถ้าสร้างขึ้นมาวันหนึ่งก็ต้องไปรื้อทิ้งอีกเพราะฉะนั้นถ้าดูพุโทโธธรรมโมสังโฆ ร, รู้สึกจิตมันจะวิงว่งวิ่งกลับไปกลับมาจะดีกว่าใช่ไหมได้นะแล้วนะเราไม่ค่อยเชื่องลงเองอ๋อโอเคขอบคุณครับร้อยหกสบหนึ่งคนสุดท้ายละอันนี้ร้อหบหนึ่งดีใจไหมดีใจ กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะก็ตอนนี Cette ้กดอยู่ค่ะลืมแก่แล้วก็คือว่าปกติเวลาหนูภาวนาเนี่ยก็จะดูดูกายได้ก็ดูกายดูจิตได้ก็ดูจิตแต่มาระยะหลังเนี่สังเกตว่าถ้าการดูจิตของหนูเนี่ยความรู้สึกมันจะเข้ามาอยู่ที่ ระหว่างกลางของของตัวแล้วก็แต่ถ้าดูกายเนี่ยมันจะมาปริ่มปริมอยู่ที่ตัวหรือไม่ก็ออกไปนอกตัวแล้นี้เนี่ยมีอยู่หลายครั้งอะค่ะที่ฟังหลวงพ่อว่าจิตไม่มีที่ตั้งหนูก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะหรือว่าเรามีอันใดอันหนึ่งที่เราดูผิดหรือเปล่าทำไมไม่ตรงที่กลางอกนะสังขารมันปรุงขึ้นมาปรุงดีปรุงชั่วหรือเวทนาทางใจปรุงสุขปลุงทุกข์นำมาทำมันเกิดขึ้นที่กลางอกจิตเป็นคนดู นึกออกไหมจิตเป็นคนดูจิตไม่ได้อยู่กลางอกหรอกถ้งนั้นสิ่งที่ที่เรารู้สึกตรงกลางอกนั้นคือนามธรรมแต่หนูยังไม่ยังไม่เห็นตัวจิตที่เป็นคนดูอย่าไปจงใจดูอย่าไปจงใจดูจิตอย่าจงใจหาจิตนะค่ะถ้าจงใจไปเที่ยวหาจิตเนี๋ยวจะหลงทางไปไกลเลยก็เห็นตัวเนี้ยเกิดดับเห็นที่กลางอกเนี่ยเกิดดับไปนะแล้วจิตยินดีขึ้นมารู้ทันจิตยินร้ายขึ้นมารู้ทัน ยินดียินร้ายดับลงตรงไหนก็รู้อยู่ตรงนั้น่ะก็คือรู้จิตแบบเดิมนี่ได้ใช่ค่ะและรู้กายแบบที่ตะกี้หนูเล่าให้ฟังก็ถูกแล้วล่ะถูกแล้วใช่ไหมคะหลวงพ่อคะแล้วก็รู้กายมันจะรู้ที่เปลือกของกายค่ะเออเห็นความเร็วเยอะมากโดยเฉพาะตอนขับรถเป็นงกทางห่วงทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะขี้อิจฉาอิจฉาด้วยเยอะแยะไปหมด แล้วก็มีอีกอันนึงคือคราวที่แล้วถามหลวงพ่อว่าทําความสงบลงม า, าทําสมาธิไม่ได้หลวงพ่อบอกว่าให้พยายามน้อมจิตไปเข้าไปทําตอนนี้เนี่ยน้อมจิตไม่ได้หนูก็เลยแก้ด้วยการที่หยุดหยุดภาวนาไปสักพักหนึ่งให้มันได้พักผ่อนแบบละลาไปอ่ะค่ะอย่างนี้ได้ไหมคะได้แต่อย่าใช้บ่อยเดี๋ยวละลาไม่เลิกจําเป็นจริงๆก็ใช้ได้ค่ะเขอบคุณค่ะ กักส่งกันบ้านมันง่วงๆครับจิตเป็นไงช่วงนี้จิตก็มีแรงมากขึ้นครับแล้วก็แต่ก็ยังไม่ตั้งมั่นสัทีเดียวเห็นขันแยกไหมเห็นครับในชีวิตประจำวันส่นหญจะเห็นได้บ่อยมากขึ้นดีเห็นไหมแต่ละขันเกิดแล้วก็ดับไปเห็นครับเห็นไหมไม่มีเราเห็นครับจิตยังเป็นเราไหมมีบางแวบครับที่ยังเห็นอยู่ อืมดีแสดงว่ายังขาดไม่หมดครับดีไปทําอีกนะทําถูกแล้วล่ะทําความสงบเข้ามาบ้างนะไม่มีแรงครับจิตใจสงบแล้วก็มาเดินปัญญาสลับกันไปไม่สงบอย่างเดียวไม่เดินปัญญารวดไปอย่างเดียวแต่ไม่มีแรงรแรงขาดไปนิดหน่อยเท่านั้นแหละคใครจะส่งกันบ้านอีกมีไหมมีไหมอ้างคุณทิดาเชิญ กราบนมัส ก, การหลวงพ่อเจ้าคะ่ะในช่วงสามเดือนที่ผ่านมานะคะโยมก็เพียรภาวนาอยู่แต่เหมือนมันไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยอะคะ่ะแล้วก็พิจารณาตัวเองว่ายังขาดอะไรอยู่ก็รู้สึกว่าศีลข้อสี่ยังไม่ครบ<ม>ก็พยายามทำให้ครบไป น, นะคะ<ม>คือคือสำรวมระวังก่อน<ม>แล้วพอต่อมามันก็เริ่มได้เองโดย<ม>อัตโน ม, มัติค่ะ กยากเรียนถามหลวงพ่อว่ายอมยังขาดอะไรคะที่ดีแล้วน่ะนะทาไปทําต่อไปช่วงนี้จิต ด, ดีกว่าช่วงก่อนแล้ ว, ลวค่ะมีกำลังขึ้นมาแนละ้วเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเ7จโอกาสค่ะหนูเอาผลการปฏิบัติมาถวายค่ะอืมชอบสาธุเอามาถวายมา หลวพ่อคะเวลาหนูเดินแล้วหนูเห็นกายที่เดินแล้วทีนี้สักพักหนึ่งมันก็จะเห็นจิตที่ไหลสักพักหนึ่งมันก็รู้แล้วมันก็กลับมาที่กายสักพักหนึ่งมันก็ไหลอีกอย่างนี้ถูกใช่ไหมคะถูกนะแต่มันยังฟุ้งไปหนูรู้ว่าหนูติดสนุกนะคะหลวงพ่อหนูพยายามอยู่ติดสนุกนะคะเออนั่นแหละมันฟุ้งไปดูบ่อยๆ่อยนะแล้วใจมันขนองขึ้นมาเรารู้ทันยอย่าเงี้ยจะค่อ ย, ค, อยค่อยเรียบร้อยขึ้น ด้วยงานนะคะด้วยงานมันเป็นอย่างนี้อะค่ะหลวงพ่อมันต้องคุยกันนักศึกษามันต้องคุยกับผู้ปกครองอย่างเนี้ค่ะคุยก็คุยไปสิแต่ว่าเรารู้ทันใจของเรามันอดไม่ได้ค่ะมันชอบนั่นแหละอ้างหนูชอบใช่ค่ะหนูชอบนั่นแหละนชอบอ่ะมันอ้างงานหนูจะทํำยังไงดีให้รู้ทันใจเลยใจมันสนใจมันสนนะมันอยากเล่นให้รู้ทันแบบนี้นะค่ะรู้บ่อย ดูตรงนี้อีกใช่ไหมคะใช่แล้วอย่างคนที่มีอุดมการณ์ที่ไม่ไม่ตรงกับเราเวลาเขาพูดขึ้นมาอย่างเขาว่ า, าครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันไม่ชอบแล้วมันจะเป็นแบบไม่อยากคุยกับเขาเลยค่ะคุณพ่ะให้รู้ทันใจของเราจําเป็นก็คุยไม่จําเป็นก็ไม่คุย <laughs> ถ้าพูดกับใครแล้วอากุศลเกิดเราเลี่ยงได้เราก็เลี่ยงเรื่องอะไรเราต้องไปหาอากุศลหอพอได้ยินเขาพูดเข้ามาแค่นั้นละะ่ะค่ะมันจะผิดใจมันจะกระเพื่อมไม่ดูดูใจของเราไป ได้เวลาเรียนรู้ละเป็นชั่วโมงของการเรียนรู้ตัวเองแล้วรเราไม่พอใจเพราะว่าความเห็นของเราต่างกับเขาเรายึดในความเห็นของเราเองก็เลยโมโหเขาถ้าเราดูออกนะว่าเรายึดถือในความเห็นนะเราไม่ยึดถือความเห็นแนละฟังแล้วสบายเลยนะอย่างคนดา่าหลวงพ่อหลวงพ่อฟังแล้วเบ เ, เบิกบานแสดงว่าเราน่าสนใจ ไม่มีไม่มีออกในโลกนะคนที่ไม่ถูกด่าไม่มีไม่มีเลยให้ดูให้ย้อนมาดูใจเราเรื่อยๆดูเลยเรายึดในความเห็นของเราว่าความเห็นของเราถูกเนี่ยของเราถูกอาจารย์เราถูกอะไรเงี้ยนะดูตัวนี้นะแล้วมันชอบไม่อยากไปทํางานพอวันจันทร์วันอังคารวันพุธพุหัสมันเบื่อที่ทํางานนะฮะหลวงพ่อแล้วมันอยากเป็นข้าราชการใช่ไหมค่ะเออนั่นแหละโรคประจําตัวข้าราชการเลย วันจันทร์เนี่ยขี้เกียจวันอังคารขี้เกียจมากวันพุธเนี่ยเซ็งไม่ใช่ขี้เกียจนะวันพุธเซ็งเบื่อเห็นไหมวันพฤหัสเริ่มดีดาวันศุกร์เนี่ยนะพรุ่งนี้จะวันศุกร์วันที่ดีใจล้วหนูดีใจตั้งแต่วันพุธที่ว่าจะมาวัดนะคะพวกที่หนูมาจากขอนแก่นค่ะดีใจมาใจมาตั้งแต่วันพุธแล้วค่ะน่าละคอยรู้ไปนะฟังแล้วรู้เลยว่าข้าราชการ แต่ต้องอยู่ใช่ไหมคะหลวงพ่อ mm hmm. ต้องอยู่ไปอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่สิใครว่าอะไรเรื่องของเขาความคิดของเขาความเห็นของเขาไม่ใช่เรื่องของเราห้ามเขาไม่ได้หรอกห้ามไม่ได้จริงๆก็นำร่องมันอยู่นะคะแต่มันก็ยังไม่ยอมอยหามายถึงว่าบอกรู้<อ>บ่อยๆเอ ะ, ะ, อะมีอีกไหมมีอีกไหมขอบคุณค่ ะ, ะโยมนี้ยกมือไหนยกมือไหน อยากจะนั่งสมาธิให้หลวงพ่อดูค่ะเพราะว่ายังนั่งไม่ค่อยได้ใจนั่งแล้วใจมันลงก็รู้นะใจไม่ลงก็รู้นะไม่เคยลงเลยค่ะเออนั่นแหละใจไม่ลงก็ดูเอานะไม่ไม่ยมไม่รู้เลยว่าประคองคือลักษณะเป็นแบบไหนประองเนี่ยจงใจไปรักษามันจะให้มันดีจะให้มันนิ่ง<จ>นะแต่ถ้ามันสายไปสายมาเรารู้อยู่ยังไม่ได้ประคองมันฟุง้ง ไปดูเอาเองเจ้าค่ะนมัส ก, การเจ้าค่ะส่งไม้ไปางหลังไปส่งไมไปช่วยส่งไปอีกส่งไปทางนั้นเลยเชียงทางนี้หน่อยเชียงทางนี้เชียงทางนี้นั่นแหละถือคนที่ถือนั่นแหละส่งกันบ้านอ้าวว่ามา ก, ก่อนหน้านี้ช่วงก่อนหน้านี้จะเพ่งเยอะประคองเยอะอะค่ะ แล้วก็มันมันอยากแบบใจลงไปรวมอยากจะมันก็เลยนึกถึงที่หลวงพ่อเคยสอนว่าให้มีตัณหาก็รู้อะคะ่ะแต่ว่าเหมือนใจมันยังดูไม่ถึงอะคะ่ะแต่ช่วงสองสามวันหลังมานี้ก็เหมือนใจมันมันคลายลงมันดูได้เป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่ก็ยังยังมีบ้างะคะ่ะระหว่างที่นั่งอยู่มันก็มีเข้าไปยึดบ้างนะให้รู้ทันอย่างที่รู้นัน่นแหะนะ รูไปเรื่อยๆดูเขาทํางานเหมือนเราเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆเหมือนดูคนอื่นอะแต่มันรู้สึกว่าใจไม่ค่อยตั้งมัน่นให้รู้ทันเอาว่าไม่ตั้งมัน่นไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ฝึกกันบ่อยๆนะให้มันมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งจิตจะได้มีแรงตรงเครื่องอยู่อ่ะค่ะหลวงพ่อหนูไม่ทราบว่าบางทีพอบางครั้งหายใจครั้งแรกๆก็สบายแต่เสร็จแล้วมันก็จะลงไป ลงไปรวมกับลมหายใจไม่เป็นไรแล้วให้พักผ่อนไปะนะแต่อย่าให้ซึมค่ะนะถ้าเข้าลงไปรวมกับลมเองเนี่ยไม่เป็นไรแต่น้อมเข้าไปหาลมไม่ดีเลยซึมซึมเข้าไปไม่ดีนะให้เขาพักก็เ ข, า, ขาพักเต็มที่แล้วพอจิตทีเคลื่อนออกมานะจิตไปทํางานเรามีสติรู้ทันเราแอบไปคิดนึกปรุงแต่งแล้วนะฝึกอย่างนี้บ่อยๆไปแล้วมาอยู่ข้างนอกนอก็จิตไหลไปไหนก็คอยรู้ทันเราไม่ห้าม ไปฝึกเอานะใครได้มีใครอีกใครจะเป็นผู้เคราะร้ายรายต่อไปมีไหมเจสไหมเอาเชิญกลับบ้าน